ควรจะปฏิบัติอย่างไรกับคนที่เพิ่งตายใหม่ๆเรื่องที่จะเขียนต่อไปนี้ไม่ใช่เกิดจากปัญหาที่ข้าพเจ้าหรือใครคนหนึ่งเป็นผู้ถามแต่หากเป็นเรื่องที่เทพเจ้าองค์ที่เคยตอบปัญหาอธิบายให้ฟังเพื่อต้องการที่จะให้คนที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์ได้เข้าใจถึงสิ่งที่ควรกระทาแก่คนที่เพิ่งตายไปใหม่ๆคนในโลกเกือบจะทั้งหมด ทำกันไปตามความเคยชินหรือทําไปตามความเชื่อถือที่สืบต่อกันมาโดยไม่เข้าใจเหตุผลและส่วนมากของพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับคนตายไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนเท่าที่ท่านมองเห็นรู้สึกว่าเป็นประโยชน์แก่คนที่ตายไปแล้วน้อยมากมีหนาซ้ําแทนที่จะเป็นประโยชน์กลับเป็นการหน่วงเหนียวให้คนที่ตายไปต้องอยู่ในความทุกข์ทรมานนานขึ้นไปอีกโดยไม่จําเป็น ท่านบอกว่าคนที่ลาจากโลกมนุษย์ไปแล้วในระยะแรกๆควรจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่อยู่ในโลกเดียวกันเพราะถึงอย่างไรคนที่อยู่ในโลกของโอปปปาติกะนั้นก็ไม่ใช่คนที่หลับหูหลับตาทาอะไรโดยที่ไม่เห็นผลแห่งการกระทาของตนและคนที่อยู่ในโลกของโอปปปาติกะที่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มานั้นก็มีไม่ใช่น้อยแม้มนุษย์ จะไม่ทําบุญให้เลยท่านเหล่านี้ก็ยินดีจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มาสู่โลกของโอปปาติกะอย่างเต็มที่และทําด้วยความเต็มใจและส่วนมากก็มีความสันทัดหรือมีความจนานาในการที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่มาสู่โลกแห่งวิญญาณเรื่องที่ทําให้ยุ่งยากซึ่งท่านอยากจะขอร้องให้มนุษย์เลิกก็คือถ้าหากว่าญาติพี่น้องทั้งหลาย พยายามไม่ให้มีความโศกไม่ให้มีความอาลัยถึงผู้ที่ตายจากไปแล้วอันนี้จะเป็นประโยชน์แก่คนตายมากกว่าทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าหากคนที่ตายไปแล้วรู้สึกว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคนที่รักไม่เศร้าโศกคิดถึงเขาเขาก็จะสบายใจความเศร้าโศกคิดถึงกันในระหว่างญาติพี่น้องที่อยู่กันคนละโลกเช่นนี้ มันทำให้ความผูกพันที่มีต่อกันทรมานคนที่ตายไปแล้วอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในขณะที่เขาเพิ่งตายมาใหม่ๆซึ่งแน่นอนเขาจะตัดความผูกพันที่มีต่อญาติพี่น้องของเขาไม่ได้และถ้าตัดไม่ได้มันก็หมายถึงเขายังคงมีความรู้สึกเหมือนกับในขณะที่ยังเป็นมนุษย์แต่วิญญาณของเขาต้องมาอยู่ในร่างกาย และในโลกซึ่งจะติดต่อกับญาติพี่น้องของเขาได้ยากอย่างที่สุดผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะมองเห็นผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์ได้ยินเสียงคำพูดของคนที่อยู่ในโลกมนุษย์แต่มนุษย์มองไม่เห็นเขาพูดกับเขาไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้และความรู้สึกของเขาก็ตัดจากโลกมนุษย์ไม่ขาดเพราะความรักความอาลัยของญาติพี่น้องนั้นทาให้เขาต้องมีความผูกพันอยู่อีกตัดไม่ได้ แล้วลองคิดดูสิว่าจะทรมานเข้าสักเพียงไหนมนุษย์เกือบจะทั้งโลกไม่ทราบความจริงอันนี้เลยแล้วท่านแนะให้นึกถึงพุทธพจน์ที่ว่านะิรุนนางวาโซโกโวายาวันยาปริเทวนา น, นตังเปตานมัถายะเอวังติดทันติยาตะโยการร้องไห้หรือความเศร้าโศกหรือความคล่่งรว่นใดๆก็ตาม ไม่มีประโยชน์อะไรแก่ผู้ตายไปแล้วเพราะการร้องไห้หรือการเศร้าโศกเป็นต้นนั้นไม่ช่วยให้ญาติที่ลาจากโลกมนุษย์ไปแล้วมีฐานะดีขึ้นเลยพุทธพจน์สั้นๆบทนี้ควรจะนึกถึงให้มากและท่านแนะให้นึกถึงกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้มันนึกถึงอยู่เสมอเป็นประจำวันคือวันหนึ่งเราจะต้องพลัดพรากจากบุคคล และสิ่งของอันเป็นที่รักไม่มีใครล่วงพ้นไปได้คนที่หมันนึกเช่นนี้บ่อยๆเมื่อคนที่รักตายจากไปจะไม่ค่อยเศร้าโศกและท่านบอกว่าความเศร้าโศกของผู้ที่ยังอยู่ข้างหลังนี้จะไม่ทรมานคนที่ตายไปแล้วก็ต่อเมื่อหนึ่งคนที่ตายไปแล้วยังหลับอยู่ หรือคนตายนั้นไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งห่างไกลาจากญาติพี่น้องมากและไปมีเรื่องใหม่ที่ทำให้สนใจอยู่ตลอดจนกระทั่งไม่ได้นึกถึงญาติพี่น้องเลยซึ่งในกรณีอย่างนี้มีน้อยรายมากและผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มาเกิดอยู่ในโลกของโอปปาติกานั้นแม้ว่าจะหลับอยู่นานสักเพียงไรก็ตามแต่สักวันหนึ่งเขาจะต้องตื่น และเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วโดยอำนาจความเคยชินเขาก็นึกถึงญาติพี่น้องและทันทีที่นึกถึงก็จะเกิดความต้องการที่จะไปหาและเขาก็จะไปถึงญาติพี่น้องได้ในทันทียากที่ใครๆจะยับยั้งเขาไว้ได้และในเมื่อไปแล้วได้เห็นสภาพของญาติพี่น้องกำลังอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจคิดถึงเขา เขาก็จะมีความเศร้าโศกเสียใจไปด้วยและพยายามที่จะหาทางปลอบโยนถ้าหากว่าเขารู้ตัวว่าเขาตายจากโลกมนุษย์มาแล้วบางคนก็อาจจะตัดใจได้บ้างโดยคิดว่าเขากับเราอยู่คนละโลกแต่ส่วนมากจะตัดใจไม่ได้และถ้าหากเขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้ตายจากโลกมนุษย์มาแล้ว ยังคิดว่าตัวเองยังเป็นคนอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งจะทรมานเขามากขึ้นและถ้าหากสันดานเดิมเป็นคนดื้อรั้นมากไม่ค่อยจะฟังเหตุผลในสิ่งที่ขัดแย้งกับความเข้าใจเดิมถ้าเป็นเช่นนี้ความทรมานของเขาก็จะยืดเยื้อต่อไปอีกนานแต่ถ้าหากเขาไม่เป็นคนดื้อรั้นอย่างนั้น เมื่อมีโอปปปาติกะตนใดมาแนะนำให้เข้าใจถึงเรื่องความเป็นจริงและให้รู้จักปรับตัวเองเสียใหม่ให้เหมาะสมในอันที่จะอยู่ในโลกของโอปปปาติกะความทรมานก็จะมีอยู่ไม่นานแต่คนอย่างนี้หายากเพราะเหตุนี้ท่านจึงอยากจะเตือนผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์ให้ลาเว้นจากความเศร้าโศกเสียใจ ความเศร้าโศกของญาติที่จะไม่ทรมานคนที่ตายไปแล้วข้อที่สองคนที่รู้ตัวมาก่อนที่จะตายและเคยมีความเข้าใจถึงชีวิตที่จะเกิดใหม่อยู่บ้างและเมื่อถึงคราวที่จะตายจริงๆก็ปล่อยวางได้คนประเภทนี้เมื่อตายจากโลกมนุษย์มาแล้วจะมามีความสุขในโลกใหม่ทันทีและแม้จะรู้ว่าญาติพี่น้อง มีความเศร้าโศกเสียใจอะไรคิดถึงเขาเขาก็จะเป็นแต่เพียงสงสารแต่ก็ไม่ทรมานเขาถ้าหากมีทางที่จะช่วยได้เขาก็จะพยายามช่วยแต่เมื่อเห็นว่าช่วยไม่ได้เขาก็จะปล่อยวางท่านแนะให้นึกถึงตัวอย่างในเรื่องมัทกุลทลีในคำพีธรรมบทมัทกุลทลี ตายในขณะที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าและมีจิตเรื่อมใสมากแล้วรู้ตัวก่อนแล้วว่าจะต้องตายและปล่อยวางได้เมื่อตายแล้วได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์มีความสุขในทันทีที่เกิดแต่แล้วก็ได้มองเห็นพ่อมานั่งร้องไห้ที่ปราช้าทุกวันจึงได้ลงมาปรากฏกายให้พ่อเห็นและให้สติแก่พ่อจนกระทั่งพ่อหายเศร้าโศก ทำให้พ่อกลายเป็นคนใจบุญไม่ตรณีเหมือนเมื่อก่อนท่านบอกว่าตัวอย่างเช่นนี้จะจริงหรือไม่ก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงและสอนใจคนได้ดีมากคนที่ตายไปแล้วญาติพี่น้องควรจะให้โอกาสและเวลาแก่เขาเพื่อให้เขาได้ปรับปรุงจิตใจของเขาให้เข้ากับโลกใหม่จนกว่าเมื่อไร เมื่อเขานึกถึงเรื่องในโลกมนุษย์แล้วก็รู้สึกเฉยเฉยไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้จิตใจของเขาต้องเป็นทุกข์หรือกังวลนอกจากเมื่อมีอะไรที่จะทำเพื่อเป็นการช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือญาติพี่น้องก็ทำไปตามเหตุผลทำไปตามหน้าที่โอปปาติกะที่อบรมจิตใจของตัวเองให้มีลักษณะเช่นนี้ได้แล้วเท่านั้นที่สมควรจะมาติดต่อกับมนุษย์ได้ ผู้ที่มีจิตอ่อนไหวไปตามเหตุการณ์ในหนหลังได้ง่ายไม่ควรจะมาติดต่อกับมนุษย์และมนุษย์ก็ไม่ควรจะทำอะไรชนิดที่จะเป็นเครื่องผูกพันให้เขาต้องมาวนเวียนอยู่กับตนมีโอปปปาติกะเป็นจำนวนมากที่วนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์คลุกคลีอยู่กับมนุษย์และมีความทุกข์ทรมานหลายอย่างโอปปาติกะประเภทนี้ บางคนก็ช่วยให้พ้นไปจากความทรมานได้แต่บางคนก็ช่วยยากเพราะเขากลับใจไม่ได้เท่าที่ท่านอธิบายให้ฟังนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคนตายดูจะไม่เป็นการจำเป็นท่านบอกว่าเป็นคนแล้วเรื่องกับที่ท่านอธิบาย การทำบุญให้กับคนตายเป็นสิ่งที่ควรกระทำแต่อย่าให้แก่พิธีมากนักควรจะทำโดยนึกถึงผู้ที่จะรับทายธรรมคือพระสงฆ์หรือใครก็ตามที่จะรับการบริจาคจากญาติของผู้ตายเมื่อเห็นว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์และจำเป็นแก่ผู้รับก็ควรจะทำในสิ่งนั้นอย่าไปนึกถึงคนตายจนเกินไป เพราะคนตายจะได้รับกุศลก็ต่อเมื่อเขารู้และอนุโมทนาและการที่จะรู้ถึงการกุศลที่ญาติพี่น้องกระทำไปให้นั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องให้รู้เดี๋ยวนั้นคือหลังจากตายไม่นานเพราะถึงแม้ว่าคนที่ตายไปแล้วจะรู้ว่าญาติพี่น้องทําบุญให้หลังจากตายมาเป็นเวลานานก็ได้ผล และโดยปกติเมื่อญาติพี่น้องทำบุญอุทิศให้กับคนตายนั้นก็มักจะมีพวกโอปปปฏิกะบางคนรู้ถึงการกระทาอันนี้แล้วเก็บเอาไปบอกแก่คนที่ตายไปในเมื่อผู้นั้นมีฐานะที่จะรับรู้ได้แล้วท่านบอกว่าข้อนี้พวกมนุษย์ไม่ค่อยจะนึกถึงคอยแต่จะเป็นห่วงเหมือนกับว่าเขายังเป็นคนอยู่ เมื่อถึงเวลากินก็จะให้กินอะไรทำนองนี้เป็นต้นมนุษย์หารู้ไม่ว่าคนที่ตายไปแล้วแต่ไม่รู้ตัวว่าตายจะเป็นด้วยเพราะสำคัญผิดหรือว่าเพราะยังหลับอยู่หรือเพราะอะไรก็ตามในระหว่างนี้คนตายจะไม่ได้รับอะไรเลยและอีกประการหนึ่งสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่คนตายนั้นคือกุศล ไม่ใช่วัตถุหรือสิ่งของที่ญาติพี่น้องทําบุญไปให้เพราะถึงอย่างไรเรื่องของการทําบุญนั้นใครจะทําแทนกันไม่ได้จะหยิบยื่นให้แก่กันเหมือนวัตถุไม่ได้ในทนองเดียวกับจะรับประทานอาหารแทนกันไม่ได้คนไหนรับประทานคนนั้นอิ่มคนไหนไม่ได้รับประทานคนนั้นก็ไม่อิ่มหรือเหมือนกับการเรียนหนังสือจะเรียนแทนกันไม่ได้ คนไหนเรียนคนนั้นรู้คนไหนไม่เรียนคนนั้นไม่รู้การที่คนตาจะรับกุศลจากการอุทิศให้นั้นหมายความว่าการทำบุญของญาติพี่น้องเป็นการเตือนความทรงจาถึงการกุศลที่เขาเคยทำมาหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นการกระตุ้นให้กุศลที่มีอยู่ในสันดานของเขาปรากฏขึ้นมาเมื่อเขามีความคิดเป็นกุศลแล้ว กุศลที่เขามีอยู่นั่นแหละคือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดผลต่างๆดังที่เขาต้องการคือเมื่อปรารถนาสิ่งใดเขาก็จะได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาและได้เท่าที่กุศลที่เขามีอยู่เท่านั้นท่านแนะให้คิดว่าสมมุติว่าพระโพธิสัตว์ซึ่งท่านได้ทำบุญมาแล้วมากมายกุศลที่ท่านมีอยู่สามารถที่จะบันดาลให้เกิดผลได้มาก และท่านจะอุทิส่วนกุศลของท่านให้คนที่ตายไปแล้วเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้มีผลเหมือนอย่างท่านบ้างคนที่ได้รับส่วนกุศลก็คือคนที่ได้รับรู้ในการกระทำของพระโพธิสัตว์และก็มีจิตชื่นชมยินดีนั้นผลที่จะเกิดขึ้นแก่เขาจะเหมือนกับผลที่เกิดกับพระโพธิสัตว์หรือไม่ในเมื่อเขาผู้นั้นเป็นแต่เพียงคนทาบุญชั้นธรรมดา ตัวอย่างอันนี้ให้เอาไปคิดจะได้ไมีงมงานในเรื่องการทำบุญให้กับคนตายท่านบอกว่ามีอยู่เหมือนกันบางคนพอตายจากโลกมนุษย์มาเกิดเป็นโอปปาติกะ <c oughs> ก็ได้รับกุศลทันทีในเวลาที่ญาติพี่น้องทำบุญให้ในระหว่างที่กำลังทำบุญเกี่ยวกับงานศพ แต่บุคคลที่จะได้รับกุศลทันทีเช่นนี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีบุญมาพอสมควรและจะต้องเป็นคนที่รู้ตัวก่อนตายเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปดีเข้าใจเรื่องโลกนี้โลกหน้าดีและในระหว่างที่ญาติพี่น้องทำบุญให้นั้นก็ยังอยู่ที่บ้านเดิมของตัวเองหรือไม่อยู่แต่ก็ได้รู้ได้เห็นการกระทำของญาติพี่น้องทุกอย่าง และที่สำคัญที่สุดก็คือเขาปล่อยวางได้เขาไม่เศร้าโศกเสียใจที่ได้ตายจากโลกมนุษย์มาและบางคนแทนที่จะเสียใจหรือเกิดความหวาดกลัวต่อความตายตรงกันข้ามการตายทำให้เขาโล่งใจเพราะได้พ้นจากภาวะที่อึดอัดภาวะที่ทุกข์ทรมานหลายอย่างเช่นร่างกายแก่สุดโมมีโรคเบียดเบียน มีความทุกข์ยากลำบากในเรื่องการทำมาหากินและเรื่องอื่นอีกหลายอย่างบุคคลที่เตรียมตัวก่อนที่จะตายมานานแล้วเมื่อตายมาแล้วส่วนมากเขาจะโหเราอแล้ว ร, รื่นเริงทันทีและผู้ที่มาคอยต้อนรับก็จะแสดงความยินดีที่เขาได้พบญาติหรือเพื่อนหรือแม้จะเป็นคนอื่นแต่ก็เป็นคนที่เข้ากันได้กับพวกเขา ซึ่งจะทำให้พวกเหล่านั้นมีความยินดีคำว่าเตรียมตัวมานานก่อนตายคำนี้หมายความว่าได้ศึกษาธรรมมาจนกระทั่งเข้าใจดีแล้วถึงเรื่องชีวิตนี้และชีวิตหน้าและไม่ประมาทเพราะไม่รู้ว่าจะตายวันไหนรู้แน่แต่เพียงว่ามันจะต้องตายแน่ เพราะฉะนั้นจึงได้หมั่นสร้างแต่ความดีสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอคนประเภทนี้แหละที่เรียกว่าเตรียมตัวมานานแล้วก่อนที่จะตายท่านอยากที่จะลายเห็นคนในโลกมนุษย์ได้เตรียมตัวอย่างนี้ซึ่งมันจะทำให้ภาระของผู้ที่คอยช่วยเหลือผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มาเบา อ, อกเบาใจขึ้นไม่หนักและยุ่งเหยิงเหมือนอย่างที่ท่านลายเห็นอยู่ในทุกวันนี้ ท่านแถมให้อีกนิดหนึ่งว่าเมื่อญาติพี่น้องทาบุญอะไรไว้คนตายก็มักจะได้รับอย่างนั้นเช่นคนที่ตายไปเคยชอบรับประทานอะไรก็ทาบุญสิ่งนั้นไปให้และคนที่ตายไปก็ได้รับสิ่งนั้นจริงๆท่านบอกว่าเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีการที่คนตายได้รับของอย่างเดียวกันกับที่ญาติทำบุญไปให้นั้น ไม่ใช่เพราะของที่ทำบุญให้นั้นไปถึงคนตายโดยตรงหากแต่ว่าการทำบุญของญาติพี่น้องทำให้จิตของเขาเกิดเป็นกุศลขึ้นมาและสิ่งของที่ญาติพี่น้องทำบุญไปให้นั้นได้ไปเตือนความจำถึงสิ่งที่เขาเคยชอบแล้วเกิดความประตนาขึ้นมาเดี๋ยวนั้นครั้นแล้วของสิ่งนั้นจึงได้เกิดขึ้นแก่คนตายจงจาไว้ให้ดีว่า ถ้าการทำบุญของญาติพี่น้องไม่ได้ทำให้จิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในตัวเขาแล้วสิ่งของที่ญาติพี่น้องทำให้จะไม่ถึงคนตายเลยเป็นอันขาด